วันเราก็ต้องมาดูว่าเออเนี่ยเราจะเจริญคุณธรรมให้ให้บ่อยบ่อยให้มากๆให้เนืองเนืองเนี่ยนะซึ่งเป็นคุณธรรมนำออกจากทุกอ่าเป็นคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อดับกระหายคือตัณหาเนี่ยนะเราต้องเจริญแค่ไหนจึงจะหายหิวเพราะผ้าหันคือผู้ที่หายหิวเนี่ยนะเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับความหิวพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับ ตันหาพระนิพนพานเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สั่งแห่งความเมาคือราคะเมาด้วยโทสะเมาด้วยโมหะมันอ่ามันก็ต้องน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตฏะทั้งหลายเพราะคนที่จะตรัสรูพ้พระนิพพานคือคนที่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในวะตะัตฏะเนี่ยนะก็ต้องกระว่าหาทางที่จะดีตัวออกจากวัตฏะให้ได้ น, นะนะไอ้นิยานิกระทำแปลว่าดีตัวออกจากวัตฏะก็ได้เพราะว่ามันแปลว่า ไม่ไม่ติดไม่ข้องในในพบและรู้พบเป็นอย่างดีรู้ว่าอะไรเป็นพบอะไรเป็นเหตุให้เกิดพบอะไรเป็นความดับพบและปฏิบัติยังไงจึงจะดับพบอะไรเป็นการเกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดทำที่ดับความเกิดคืออะไรและปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นจ า, จากการเกิดเนี่ยนะชารามรณะคืออะไรเหตุอะไรเนอททำให้เกิดชารามรณะและปฏิบัติดับ ชำรา ม, มรณะได้อย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรเป็นต้นเพวันการศึกษาการเรียนรู้การฝากไ่การพิจารณาไคร่ครวดังที่กล่าวไปเนี่ยนะมันจะเป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนโอวาทแล้วก็ตักเตือนเราที่ที่พระองค์ทําทั้งหมดนั้นก็เพราะพระองค์มีกรุณาต่อเราทั้งหลายเนี่ยนะความที่พระองค์เนี่ยมีกรุณาต่อพวกเราทั้งหลายนั่นแหละพระองค์จึง สละความสุขส่วนพระองค์เนี่ยนะแทนที่จะเอาเวลาไปเข้าพร ะ, ะสมาบัตินิโรธสมาบัติหรือไปอยู่ในแบบคือพระองค์สามารถจัดระเบียบตัวเองให้อยู่อากาศที่มันบริสุทธิ์ล้วนๆอย่างเดียวก็ได้รับแต่อาหารที่เป็นอาหารพิเศษอย่างเดียวก็ได้เนี่ยนะสบายอย่างเดียวเจ็ดวันเจ็ดคืนสามเดือนสามปีสบายอย่างเดียวเลยโดยที่แทบไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นเลยก็มีพระองค์ก็ทําได้แต่ก็ไม่น้อมไปเพื่อการกระทําอย่างนั้นตรงกันข้าม พระองค์กลับสละความสุขทั้งหมดของพระองค์ที่มีอยู่ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมามาประกาศแต่งตั้งบอกกล่าวสั่งสอนสงเคราะห์หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่อย่างนี้ถ้าถ้าไม่เป็นอย่างนี้อ่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่อะไรอาศัยจารณะทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์มีจารณะมีข้อปฏิบัติของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะ เพราะถ้าพระองค์ไม่เป็นผู้ที่มีจารณะแบบนี้จริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถทําทุกอย่างเพื่อสงเคราะห์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เนื่องจากพระองค์นี่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะพระพรองค์ทําแบบคนที่รู้ทุกอย่างเนี่ยนะไม่ใช่ไม่รู้เลยเนี่ยนะอย่างที่พระองค์บอกว่าผู้ที่จะพ้นทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรู้คนเห็นชานตาปัสตาเนี่ยนะบางทีพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่า ชาณาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะนะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหัน ต, ตสัมมาสัมพุทธเจ้านะชาณตาผู้ทรงเห็นชาณตาผู้ทรงรู้เนี่ยนะปัสตาผู้ทรงเห็นอรหัตตาผู้ทรงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทเธนะผู้แต่รู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยลําพังโดย พระ อ, องค์เองพระ อ, องค์นั้นได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยนะได้ทรงภาสิทว่าภาสิตามีทังโคเนี่ยนะพระ อ, องค์ภาสิทธออกมาว่าว่าอะไรก็ว่าเป็นคําสอนเนี่ยนะเป็นการเจริญคุณธรรมทั้งหลายแต่ก็อย่าลืมว่าการพูดถึงคุณธรรมปั๊บเพื่อละอะไรเพื่อละบาปเนี่ยนะการบําเพ็ญบุญเพื่อละบาปแต่ว่าถามว่าสนามเป็นที่ละบาปบําเพ็ญบุญอยู่ที่ไหนที่ไหนหนอเป็นที่ละบาป เป็นที่บำเพ็ญบุญนะถ้าอย่างเนี้ยโลกทวารตาเนี่ยจะเจริญให้มันเป็นบาปก็ได้ขิดนให้มันเป็นบาปก็ได้ขิดนให้เป็นบุญได้ไหมทวารตานี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งบาปและบุญถ้าเราเห็นอย่างนี้เราทำบุญไม่ได้เจริญอริยทรัพย์ไม่ได้เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทาญาทของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างลืมตามองเห็นเนี่ยเราไม่มีศรัทธาขึ้นเลยแปลว่าเราไม่ได้อะไรเลยจากพระาศาสนา เห็นเนี่ยเห็นภาพเห็นอะไรเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีหิริโอตตาไม่มีสุตตะไม่มีจาระฆะไม่มีปัญญานึกไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราบ้างอย่างเงี้ก็แปลว่าเราจนจนจนที่สุดเลยเนี่ยนะจนจริงๆเลยนะจนในวัฏฏะเขาเรียกว่าคนทุกขะตะในวัฏฏะเนี่ยนะคนยากในในวัฏฏะจริงๆหรือเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินแต่คําของคนนั้นพูดคนนี้ว่าคนนั้นกล่าว ไม่มีศรัทธาศีลสุตะจาฆะปัญญาอะไรเลยก็แปลว่าจนใจจริงๆอนะใจเราจนจนไม่มีอริยทรัพย์พระพุทธเจ้าสอนตั้งมากมายก็ไม่ได้รับมรดกอะไรแม้แต่นิดเดียวกลับมาก็แสดงว่าน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะแม้กระทั่งสัมผัสทางร่างกายก็เหมือนกันใจก็นึกคิดเหมือนกันมันคนมีบุญเนี่ยจึงเป็นความคิดที่ประกอบด้วยศรัทธาคนมีศรัทธาจะคิดด้วยศรัทธาเคยโกรธไหมคิดด้วยอำนาจความโกรธเป็นไหมไม่อยากเหยมองใครแบบแหมมัน โอ้โหทมันเป็นแบบอะไรนะเป็นปืนกลเนี่ยสงสัยจะมองแล้วกราดเลยนะปืนกลสมัยใหม่มันยิงนาทีละประมาณสองล้านนัดเนี่ยสงสักราดตายกันทั้งโลกเลยเนี่ยนะคิดเผาผลาญล้างผลาญโลกไอ้คิดให้มันโกรธแบบนั้นยังคิดได้ใช่ไหมเอามองด้วยตันหาได้ไหมกวาดสายตาด้วยตันหาแบบมองแบบคนจะเอาอันนั้นกว่าเอาอันนี้กว่าเอาอันนั้นกว่าเราอันนั้นก็ของเราอยู่ตลอดเวลามองแล้วสูบเข้ามาในใจมองด้วยตันหาอย่างนั้นยังมองได้เลย แล้วมองด้วยศรัทธาไม่ได้บ้างหรือไงเนี่ยนะมองด้วยความโง่เขลามองแบบคนเมานี่นะอย่างนั้นยังมองได้แล้วถามว่าถ้าเราจะมองด้วยศรัทธาเนี่ยมองอย่างไรนะมองด้วยศรัทธามองด้วยวิริยะมองด้วยสติมองด้วยสมาธิมองด้วยปัญญานี่มองด้วยอย่างไรมองด้วยศรัทธามองด้วยศีลมองด้วยสุตะจากคะและปัญญาทั้งหลายเนี่ยเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านั้น ได้อย่างไรมันทําได้อยู่แล้วปัญหาว่าเจริญหรือเปล่าปฏิบัติหรือเปล่าถ้าถ้าเราทําอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้รับมรดกอะไรจากพระองค์เลยพันการศึกษาพระธรรมก็ศึกษาเพื่อรับอริยทรัพย์จากพระองค์นี่ยนะว่าเราจะเจริญศรัทธาได้ยังไงศรัทธาที่ยังไม่เกิดศรัทธาของเราจะเกิดได้ยังไงเนอนี่ยนะอาหารของศรัทธาก็คือพระพุทธเจ้าผู้ใดคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้ามากๆแปลว่าคนนั้นบริโภคอาหารของศรัทธาอยู่ คิดถึงพระธรรมมากๆก็แสดงว่ากำลังบริโภคอาหารของศรัทธาอยู่เนี่ยนะ เรียว่าบริโภคความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ตรัสรู้ดีจริงๆสิ่งนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้สิ่งนี้พระองค์ก็ตรัสรู้พระองค์มีปัญญาเช่นนี้พระองค์มีกรุณาเช่นนี้พระองค์มีความบริสุทธิ์เช่นนี้พระองค์มีวิชาจารณะอย่างนี้ยิ่งบริโภคเท่าไหร่ศรัทธาก็เจริญเติบโตยิ่งขึ้นเท่านั้นมองเห็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมพระธรรมเหล่านี้นําออกจากทุกพระธรรมเหล่านี้นําออกจากทุกถ้าเรา ใส่ใจแบบนี้บ่อยๆศรัทธาก็จเจริญเติบโตยิ่งขึ้นเพราะให้อาหารของศรัทธาหรือมองว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีศีลเช่นนี้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะมีหิริโอตตะปะเช่นนี้เช่นนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็บริโภคอาหารของศรัทธาเนี่ยนะเราฝักฝ่ายที่จะเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไหมอันนั้นเป็นวิริยะใฝ่ที่จะศรัทธาให้โตขึ้นไหม สัตธาที่ปฏิสถานในพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคำว่าเกินเนะเพราะอะไรเพราะถ้าปฏิสถานในปัญญาคุณเนี่ยจะเกินไหมสัตธาที่ปฏิสถานเนี่ยนะที่เกาะไว้ในปัญญาคุณเกาะไว้ในบริสุทธิ์ที่คุณเกาะไว้ในพระกรุณาคุณสัตยามันยิ่งโตขึ้นแล้วถ้าคิดถึงคนมีปัญญามากๆแล้วงองโง่ลงไหมใช่ความโง่นี่มันลดลง ปัญญาเนี่ยโตขึ้นแต่ถ้าคิดถึงคนมีปัญญาบอกได้งมงายมั้งโอ้หถ้าคิดถึงคนมีปัญญาแล้วยั ง, งโง่เขลาอันก็้นน่าสงสารที่สุดแล้วแต่อะไรจะน่าเศร้าขนาดนั้นใช่ไหมอยู่กับน้ําแต่ไม่มีน้ําดื่มเนี่ยก็น่าเศร้าที่สุดแล้วอย่างนั้นนะว่าเป็นแสดงว่าน้าท่วมเห่าอนั้นนะเป็นน้ําท่วมน้ําจะเยอะมันก็ดื่มไม่ได้ใช่ไหมหนูตกไปอยู่ในถังข้าวสารนะบอกไม่มีอาหารกินเลยงี่ก็สุดน่าสงน่าการุณาที่สุดอนะนะหรือเหมือนกับว่าคนเนี่ย บอกก็ทํางานอะไรบอกเป็นพ่อครัวบอกไม่มีกินเลยนะอาหารบริบูรณ์ูนสุขและแผนกครัวด้วยเนี่ยนะแล้วอดอยากภายพอมมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วล่ะมันของพวกเราทั้งหลายถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราโง่ลงเออหรือหรือว่าเรายิ่งโง่เนี่ยนะมันก็เกินแล้วแสดงว่าไม่ต้องไปอะไรแล้วล่ะสงสัยน่าจะเป็นเฝ้าวัดตะถาวอนเลแหละแต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าปัญญาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นประดุะ ด, ดน้ํา ธรรมชาติของน้ําเนี่ยนะถ้าเป็นน้าําใสน้ําสะอาดเราจะสกระปรกเป็นขี้โคลนเต้นตัวยังไงก็จางเลยแม้จะแกล้งน้ําสะใหญ่ๆเนี่ยให้มันสกรปรกให้หมดเลยเนี่ยนะฉาบโคลนตัวในเปื้อนโคลนแล้วจะไปลงไปอาบน้ําให้น้ํามันขุ่นค้นคลักให้น้ํามันเสียน้ําเสียได้ไหมเสียไม่ได้หรอกถามว่าทําไมเพราะโคลนตมที่ติดเปื้อนอยู่กับกายเรามันนี้เดียว แต่น้ําเนี่ยสะอาดอย่างแท้จริงเพราะยิ่งจุม่มยิ่งมุดลงไปในน้ําเท่าใดความสะอาดมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะเพราะน้ําให้แต่ความใสสะอาดสันใดหรือแม้เราเนี่ยตาไม่ค่อยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนี น, ยนะจะไปอยู่ใกล้ๆแสงสว่างให้มากๆเผื่อแสงสว่างมันจะลดลงเพราะฐานะว่าตาของเราเนี่ยมันพร่าเราดูดูแสงสว่างให้ให้แสงสว่างมันลดลงทําได้ไหมไม่หรอกยิ่งอยู่ใกล้แสงสว่างเท่าใดก็ยิ่งเห็น อะไรชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นฉันใดก็ดีเรามีปัญญาในน้อยคิดถึงคนที่มีปัญญามากๆปัญญาของเราก็จะเจริญขึ้นพันวิธีเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะบอกง่ายมากบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้มากเถอะแล้วจะเจริญศรัทธาเป็นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มากไปด้วยศรัทธา อันนั้นในศรัทธาในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์เป็นผู้มากด้วยศรัทธาถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าใดเราก็มีศรัทธาเพิ่มโูนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วขี้เกียจเนี่ยมันก็เกินไปไะนะถ้านนเนี่ยวันหนึ่งนอนน้อยมากเลยเพราะพระนอนอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าเราียกว่าเดินรอบพระคันตุกตีเป็นต้นกลางวันเก้ารอบกลางคืนอีก9้ารอบวัละสิรอบพระนอนอยากจะนั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทั้งวันนั่นแหละแต่ทําทำไม่ได้นะ ถามว่าทําไมเอาพระองค์ก็มีกิจของพระองค์มันจะต้องให้คอยใครมีธุระจะหาพระพุทธเจ้าบ้างจะได้อาศัยเหตุชวนเข้ามามาฟังธรรมอย่างนีน้ทีนี้ถามว่าแล้วพระอ น, นุเนี่ยโง่ขนาดถึงเรียกว่าท่านโง่ถึงขนาดว่าเจ้าต้องพึ่งพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยใช่ไหมโง่มากเลยใช่ไหมบอกในโลกเนี่ยนะคนที่ฉลาดจริงๆอะ่ะในโลกเลยเนี่ยนะมีอยู่ห้าหกคนนั้นนั้นเองสูงสุดเลยคือพระพุทธภาษารีบุตรปัญญาสูงสุดฉลาดที่สุด รองจากพระพุทธเจ้านะอันนี้ยกพระพุทธเจ้าไว้ฐานะเหนือหัวว่างั้นเถอะภาษารีบุตรเนี่ยมีปัญญารองถัดลงมานั้นก็คือพระมหากจัจจายนะรองลงมานั้นก็คือพระกุมารากสปะรองลงมาก็พระปุณณะมันตานีบุตรรองลงมาก็คือพระมหาโกธิตะผู้ปฏิสัมพิธาเน่ก็คือพระอนนท์พระอนนท์เนี่ยสมมติเราเดินเก้าซ้ายเก้าขวาเนี่ยหนึ่งเก้าที่ใช้เวลากี่นาทีไม่ถึงนาทีใช่ เก้าเ้าเดินอ่ะนะเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยเก้าเดินเนี่ยนั่นแหละพระนนเรียนได้ประมาณหมื่นกพบทเนี่ยนะเรียนวัดเรียนนี่ยนะหมื่นหมื right. ่นหกพันบทเนี่ยนะเพราะฉันจะพูดอะไรเร็วมาขนาดไหนพระนรินก็ฟังทันเนี่ยนะปัญญาท่านมากขนาดนั้นเนี่ยนะวันถ้าท่านเดินสิบเก้าล่ะท่านได้ได้เท่าไหร่ละได้แสนกว่าแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าทั้งวันอ่ะท่านฟังธรรมทั้งวันอ่ะท่านจะได้เท่าไหร่แล้วท่านเป็นเงาติดตามตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสี่สิกว่าปีเนี่ย สีิบกว่าปีที่ติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้าและพระ น, น, นรู้อะไรบ้างถึงขนาดนั้นพระนร์อิ่มไหมที่จะเข้าเฝ้าเราเคยได้ยินไหมว่าคนมีตังเนี่ยนะเขาเลิกทํามาหากินเลยใช่ไหมบอกพอแล้วพอแล้วไอ้พอเอพนี่ยตัวเนี่ยพอจริงแต่ว่าวางให้คนอื่นทําให้หมดแล้วเนี่ยนะรายได้หนักว่าไปลุยเองซะอีกบางทีเขาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีคําว่าพอถามว่าทําไมเพราะเห็นช่องทางคนที่เห็นผลกําไรจากสิ่งใดจะไม่เลิกราใน สิ่งนั้นนั้นง่ายๆฉันใดพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็ฉันเออพระอนนเนี่ยนะพระอนนผู้ฝักใฝ่ในปัญญาเนี่ยนะก็ยิ่งปรารถนาที่จะจะได้มีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปเนั้นใครมีศรัทธาเนี่ยนะปรารถนาจะเจริญศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากและจะมีศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันนะ เอาพุทโธพุทโธพุทโธก็เรียกชื่อพระพุทธเจ้านะไม่แน่ใจว่าฉลาดขึ้นหรือเปล่านะก็ลองคิดดูนะก็บอกว่าเออพระพุทธเจ้ามีปัญญามากเราอยากมีปัญญาเราก็เลยนั่งเรียกชื่อพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะมีปัญญาทเรียกว่าปัญญาปัญญาตั้งชื่อให้นายปัญญาด้วยกระชั่งเถอะนะตั้งชื่อว่าคุณปัญญาด้วยมันก็ไม่ได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นหรอกเพราะไม่ได้อยู่ที่บัญญัติและโวหารทั้งหลายเหล่านั้นแต่ในฐานะว่าหนึ่งผู้มีปัญญาแล้วก็ผู้มีปัญญาเขาทาอะไรบ้าง เช้าสายบ่ายค่ำเขาทําอะไรพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญ า, ชาเช้ามืดพระองค์ทำอะไรตอนสายพระองค์ทําอะไรตอนบ่ายตอนค่าปฐมยามมัชิมยามในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงพระองค์ทําอะไรแต่ละวันแต่ละเดือนข้างขึ้นข้างแรมวันข้างขึ้นพระองค์ทาอะไรวันข้างแรมทําอะไรวันอุโบสถถ้าแปดค่ำสิบห้าค่ําทําอะไรหน้าหนาวทํ า, า, า อ, ทอะไรหน้าฝนทําอะไรหน้าร้อนทําอะไรแล้วตลอดปีหนึ่งสองปีสามปีตลอดสี่สิบห้าปีพระองค์ทําอะไรเนี่ยนะ มันเราก็พอจะพออาหารของปัญญาก็กระเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเดีนะเราก็จะมีศรัทธาโดยนิยะต่างๆังนั้นมีศรัทธามากขึ้นมีความภาคเพียรมีฉันทะมีอุตสาหะที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดเจริญแล้วมีอุปการะมากก็คือสติกับสัมปชัญญะอย่างคนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะดีมาก คนที่จเจริญพุทธคุณเนี่ยนะคิดถึงพระพุทธเจ้ามากเนี่ยแปลว่าคนนั้นมีสติสัมปชัญญะดีมากถามว่าทําไมจึงเรียกว่าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีมากสัมปชัญญะเนี่ยนะโดยเฉพาะศาสกะสัมปชัญญะเนี่ยคือรู้ว่าประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ถามว่าในโลกเนี่ยใครมีประโยชน์ที่สุดนะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าเอาอเอาโลกมาเอาเอาอย่างอย่างกลางคืนนี้ก็แล้วกัน บางคืนเนี่ยเราเอาแสงไฟดวงไหนบ้างมาส่องแล้วทํากิจหน้าที่แทนแสงสว่างดวงอาทิตย์บ้างไหมนะเพราะแสงสว่างดวงอาทิตย์ส่องหนึ่งวันเนี่ยนะทั้งวันเลยเนี่ยถามว่ามูลค่ากิจเท่าไหร่นะมูลค่าของแสงอาทิตย์ที่ส่องเนี่ยนะเรียกว่าประเมินราคาไม่ได้ถ้าลองดวงอาทิตย์ไม่ส่องเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะก็เรียกว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยแสงอาทิตย์แม้กระทั่งอาหารเป็นต้นเนี่ยถ้าดวงอาทิตย์ไม่มาสังเคราะห์ให้มันก็ไม่มีอาหารอะไรหรอก ดังนั้นถือว่าแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมีมูลค่าแปล ว, ว่าประเมินมาเป็นชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมดานี่ยากเพราะมีคุณค่าที่ที่สูงส่งมากทีนี้ถามว่าอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะคุณค่าของพระองค์เนี่ยมีที่สุดหาประมาณไม่ได้พระองค์เป็นคนดีที่สุดในจํานวนหมู่คนทั้งหลายในจำนวนหมู่สัตว์ทั้งหลายถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราจะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เราจะต้องดีขึ้นสักวันเน่เพราะเราคิดถึงแต่ คนดีเราต้องมีศรัทธาเพิ่มเป็นแน่เพราะเราระลึกถึงคนที่มีแต่ศรัทธาเราจะขยันมากยิ่งขึ้นเป็นแน่เพราะเราคิดถึงคนที่ภาคเพียรพยายามเราจะเขาว่าหายโง่ไปเยอะเลยนะเพราะเราคิดถึงคนที่เขามีสติเนี่ยนะเราจะไม่เผลออะไรง่ายๆเพราะเราอยู่ใกล้คนที่มีสติถ้าเรา ใจฟุ้งซ่านแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่สงบมันก็สุดยอดแล้วละ่ะว่างั้นเถอะแสดงว่าคูมันมันพลาดจริงๆเลยนะไม่ใช่ฟุ้งธรรมดาแล้วพลาดนะสมัยก่อนเนี่ยนะเล่าให้ฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งกําลังไปเที่ยวชวนภรรยาชวนอะไรเนี่ยเมาเที่ยวสวนเนี่ยนะกำลังเพลินเลยเนี่ยนะเมาแอดื่มน้ำจันท์ว่างั้นดื่มน้ำจันท์เมาแบบไปเที่ยวงานเนี่ยเที่ยวเที่ยวตามสวนตามอะไรเนี่ยเพลิดเพลิน เขามองลืมตามมองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับการเห็นเนี่ยสางเมาเลยนะสางเมาแล้วเข้าไปเฝ้านั่งฟังแล้วบรรลุเลยเนี่ยนะนั่งฟังนั่ยนะบรรลุเป็นพระอนาคามีเลยนะเพราะเขาถามว่าทําทําไมเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นที่ตั้งแห่งสางแห่งความเมาคนที่ราคะกลัดกลุ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วดับราคะได้คนที่โทสะกลัดกลุ่มเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วดับโทสะได้คนโง่เขลาแม้ว่ากรกียกบ้าเลยอนะ อย่างนางปตาจาราเห็นพระพุทธเจ้าก็ดับได้คนที่เป็นนักฆ่าเพชฆาตมือเปื้อนเลือดเห็นพระพุทธเจ้าเลิกฆ่าเลยตลอดไปจอมโจรจอ ม, จอมนักปล้นเลยเนี่ยนะบอกว่าพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเนี่ยนะหลายพันรูปคือโจร น, นะลูกศิษย์ของพระโซนะโกติกันนะเนี่ยลูกศิษย์ท่านเป็นโจรทั้งหมดเลยก็คือพวกที่มาปล้นบ้านเมทำนนั่นแหละฟังธรรมแล้วนะพวกนี้ตอนหลังได้บรรลุ น, นะนะ แล้วก็โจรกลุ่มอื่นๆ อ, อ, อีกลูกศิษย์ของพระสังกิต จ, จะสัมมาเณนก็โจรทั้งนั้นแหละลูกศิษย์ของพระหลานของพระสังกิต จ, จะอีกทีก็โจรอีกทั้งนั้นก็มีโจรตั้งไม่รู้กี่กกต่อกี่กกเนี่ยนะเอามาบวชมดเนี่ยนะเป็นพระอรหันด้วยนะก็จะโจรแบบอิเละแขกขาด้วยนะมาเป็นพระอรหันกันไม่ใช่น้อยแล้วพวกนักกาเมสุมิฉาจา์อย่างหลานอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยก็ผิดกาเมหมดอ่ะเว้นแต่คนที่เป็นญาติแค่นั้นเองเพราะผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยนะเห็นแล้วก็คลั่งหมดเลย ผลก็ผิดกามเมทั่วไปหมดอ่ะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังแล้วบรรลุเ็นพระโสดาบัน